ความไม่ดีความเลวความบาปที่เราเคยทำมามันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระหมหาโมกขลนะก็เคยทำความไม่ดีเอาไว้เป็นสิ่งที่เป็นความผิดหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เคยทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นความชั่ว ทำไม่ได้ไปตกนรกไปในสิ่งที่เป็นอบายภูมิไปทุกขติก็เคยทำมาความชั่วความไม่ดีความบาปสิ่งที่เป็นทุจริตที่เราเคยทํามาปฏิบัติมามันก็มีในคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ให้เราละความไม่ดีละความชั่วความเลวความผิดความไม่ดีที่เราเคยทํามา ปฏิบัติมาในการละความชั่วความผิดความเลวความบาปที่เราเคยทํามาปฏิบัติมานี่การละตรงนี้ได้เนี่ยเป็นบุญตัางแวังเป็นบุญเกิดขึ้นในใจของเราทันทีบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวสแสวงหาอยู่ภายนอกบางคนก็บอกเขาไปสแสวงบุญที่นั่นมาที่นี่มาไปสแสวงบุญที่ประเทศนั้นประเทศนี้วัดนั้นวัดนี้ไปหาบุญกันมากๆอย่างนี้ไม่รู้เอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหน ถ้าบอกว่าในใจของเราไม่ได้มีที่ที่จะละ บ, บาปเราจะเอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหนจำบุฟังคิดว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเราไปหาตามก้อนหินปูเขาวัดนั้นวัดนี้ไปหาตามเนื้อนาบุญไม่ใช่บุญนี่มันเกิดขึ้นในใจจากการที่เราละบาปทันทีนจะได้บุญจริงบาปก็ต้องละไปด้วยทำให้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเราได้หรือเราละ ก, กันแน่ เราละบาปถ้าแต่มันเอาได้บุญเราจะได้บุญเราก็ต้องละบาปด้วยทำไมบางคนคิดว่างั้นฉันก็ปล่อยวางละทิ้งหมดทุกอย่างคุณจะปล่อยวางได้จริงแต่ความรู้ก็ต้องเกิดด้วยเอ๊แล้วมันเกิดหรือมันปล่อยกันแนเพราะว่าถ้าเราจะปล่อยวางโดยลักษณะที่ว่าเออนี่ก็ไม่สนไม่เอาปล่อยวางฉันวางหมดแล้วแต่บ้านเมืองก็มีเรื่องอะไรกันฉันก็ปล่อยวางปล่อยวางนะไม่สน ปล่อยวางแบบนั้นก็ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่คําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนที่ให้เกิดปัญญาท่านฟังให้เกิดให้มีให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาเอาแล้วปัญญาฉันจะต้องปล่อยวางด้วยไหมเอาก็ต้องปล่อยวางปัญญาเอ๊ะแล้วจะปล่อยหรือจะเกิดกันแน่อย่าเพิ่งงงท่านฟังอย่าเพิ่งงงคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นใบเบื้องความหน่ายความกลายกําหนัดความระงับความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อมและนิพานเราจะทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เราคุณต้องมีบุญอะไรคือบุญการละ บ, บาปได้นี่นแหละเป็นบุญกต่บางคนส่วนใหญ่ไปวัดเนี่ยไปหาบุญสแสวงบุญหาบุญโดยไม่ได้คิดว่าเราจะไปสแสวงหาการละ บ, บาปเราคิดว่าบุญอยู่ภายนอกเราเที่ยวจะไปเอาจากสิ่งภายนอกแต่ลืมเนื่องไปว่า ถ้าเราล่าบาปในหัวใจของเราได้นั่นหละ บ, บุญเกิดขึ้นในใจของเราตันทีดูอย่างท่านพระองคุลีมานสมัยตอนที่เป็นโจรอยู่แต่มีความเข้าใจผิดคิดว่าการที่ฆ่าคนการที่ทำไม่ดีประพฤติ ช, ชั่วมีใจหยาบชาพวกนี้จะเป็นทางสู่ความบริสุทธิ์ทางสู่ความหลุดพ้นจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นลงไปแต่พอได้พบรพระุชเจา เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาจึงสามารถละบาปได้ไการละบาปได้ของท่านตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญขึ้นมาทันทีคนที่ทำบาปเยอะแยะค่าคนเป็นพันคนว่างั้นเถอะนะอย่างท่านพระองคุลีมันแต่ถ้าให้คนอื่นทั่วไปเข้ามาวิจารณ์พิจารณาเขาก็คงคาดการกันว่าบุคคลผู้นี้ก็โกงไม่พ้นกาหนดเดรัจฉานเปิดพิสัย ไม่พ้นสิ่งที่เป็นคู่เป็นตารางไม่พ้นจากการถูกฆ่าถูกประหารแม้ในตอนนั้นท่านพระชาปสินที่โกศลก็แต่งกองทัพเพื่อที่จะไปทำลายโจนุงกุรีมาในสมัยนั้นแต่เพราะการที่ท่านละบาปเสียได้เป็นผู้ลอยซึ่งบาปในใจของท่านที่เคยทำมาสร้างมาจิใจเป็นบุญแล้ว จะได้บุญจริงๆนะท่านฟังเราจะต้องละบาปไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะละบาปละบาปอย่างเดียวปล่อยวางปล่อยวางอย่างเดียวเราจะละเราจะปล่อยวางได้จริงความรู้ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยอย่างท่านพระองค์กุริมานพอหลังจากที่ละบาปลอยบาปมีความรู้เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่เคยทํามาก็เหมือนกับได้ยกโทษไปนั่นได้อภัยไปที่พูดถึงเรื่องท่านพระองค์กุริมานนี้ ไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนเป็นตัวอย่างว่าเอองั้นฉันก็ทําชั่วทําบาปทําผิดแนะสุดท้ายก็เดี๋ยวออกกฎหมายมาให้อภัยกันนะไม่มีปัญหาให้อภัยกันแล้วก็จบให้อภัยกันมันอาจจะไม่จบนะจำฝั ง, งถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มันก็จะต้องไปเกิดต่อไปมีปัญหาต่อไปมีเรื่องมีราวต่อแต่ยังกรณีของท่านพระองคุลีมานั้นกิเลสหมดกิเลสดับไปเป็นผู้ไกลจากกิเลส แต่ไม่พระเจ้าปิเสนทิโกสนก็ให้อภัยคนที่สำนึกผิดลอยบาปของตัวเองล่ามบาปตัวเองจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์หมดจดไร้ซึ่งความมีกิเลสอันนี้สมควรให้อภัยอยู่ได้อยู่เพราะว่าเขาจะไม่สร้างความผิดความชั่วความบาปนั้นอีกในเป็นผู้ที่กลแล้วจากกิเลสที่พูดถึงกรณีของท่านพระองคุลิมานี้เพื่อที่จะให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าแม้ความชั่วความผิดเราทํามามากขนาดไหนก็ตาม มันสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนใหม่ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจริงถ้าเราต้องการทำจริงๆถ้าเราต้องการแก้ไขตัวเราจริงๆริะสามารถทำได้หรืออย่างท่านเป็นตัวอย่างท่านองคุลิมานเป็นตัวอย่างที่ดีมากแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะถือประมาณการที่ท่านบรรลุนั้นเป็นประมาณของเราด้วยไม่ได้เพราะว่าเครื่องประมาณการบรรลุของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างการณีของท่านอย่างเงี้ย เราคิดว่าเอองั้นฉันทําบาปก่อนฉันทําบาปทําชั่วทําผิดก่อนนะสุดท้ายเดี๋ยวฉันทําความดีละ บ, บาปได้เดี๋ยวก็จบกันนะทุกคนให้อภัยได้ไม่มีปัญหาเหมือนไม่แน่คนคิดอย่างนี้คือคนประมาทเพราะว่าการถือประมาณการบรรลุของแต่ละบุคคล น, นั้นไม่เท่ากันเราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นประมาณว่าตัวเราก็อาจจะทําได้เหมือนอย่างนั้นมันไม่แนแ่เราควรจะต้องตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาท ที่กัปปะชาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ให้สแสวงบุญไม่ใช่หาบุญแต่ให้หา<ม>บุญแสวงบุญด้วยการละบาปด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้ปล่อยวางแต่เพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเราจะปล่อยวางความรู้ความเข้าใจก็ต้องเกิดขึ้นด้วยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นก่อนคุณถึงจะปล่อยวางได้ดบางคนคิดว่าตัวเองปล่อยวางได้แล้ว ก็ยังไปเยื้อไอตรงที่วางนั่นละเราจึงต้องทําความเข้าใจในสิ่งที่เราปล่อยวางในสิ่งที่เราละนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปสับสนว่าเอ้าอย่างนี้มันมันจะเกิดหรือมันจะปล่อยกันแน่อย่าเพิ่งไปสับสนว่าเอายี้มันจะได้หรือมันจะลา ก, กันแน่ก็ดูอย่างโพธิสัตว์ของเราเป็นตัวอย่างตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไมโ้โพเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใครว่าโพธิสัตว์มาตรัสรุปเป็นพระเจ้านั้นปล่อยวางได้หมดแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอตัางหาไม่รู้จักพอเลยมีแต่จะเอามีแต่จะได้จะเอาจะได้แนวอะไรต้องการจะเอาต้องการเจยได้ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั้นตรัสไว้เองเล่าให้ฟังว่าตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนี่คิดอย่างนี้ ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลแระต่ำทั้งหลายอ้าวแล้วทาไมไม่ปลายวางอ่ะไหนบอกปล่อยวางได้หมดจดถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์รู้สัมมาสัมปธิญาะได้ทําไมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมันไม่น่าจะดีนะมันน่าจะเป็นความอยากความโลภนะแต่กลับบอกให้ถึงคุณธรรม2อย่างดีโปร่งเจริญให้มากกระตัดไม่มากนี่คือความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ในกุศลธรรมทั้งหลายและการเป็นผู้ไม่ถอยกลับจากการทำความเปลี่ยนตรงนี้แหละท่านฟังเป็นความสวยงามในในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับขัดแย้งกันโดยโดยตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ในใจของเรานี้นั่นั้นเรามาเปียบเทียบกดูก็ได้ในสองกรณีกรณีของคนที่จิตใจเต็มไปด้วยบาปเต็มไปด้วยอกุศลธรรม มีความชั่วความผิดต่างๆที่ยังละไม่ได้มีความยึดถือยังไม่ปล่อยวางความรู้ก็ไม่เกิดอาชีพว่าตัวเองปล่อยวางอยู่แต่เดินไปด้วยโมฮะความรู้ยังไม่เกิดจิตใจที่เป็นแบบนั้นจะเป็นจิตใจที่เป็นบาปแน่นอนต่อให้เขาจะมีอํานาจบาตใหญ่มีกองกําลังมีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆก็ตามว่าำบรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งหที่เป็นคนที่ลอยบาปละ อกุศลเจริญกุศลจิตใจเป็นจิตใจที่มีบุญเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้เพราะมีความรู้เกิดขึ้นในจิตมีความรู้เกิดขึ้นจึงละได้วางได้ในจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ที่มีกุศลอยู่ในหัวใจต่อให้เขาจะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอำนาจวาสนาใดๆมีความรู้ของตนนิดๆหน่อยๆพอทำมาหากินประกอบเลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไปได้ แต่สองคนนี้คนที่มีบาปกับคนที่มีบุญเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่มีบุญนี้เป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าคนที่มีบาปเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งอํานาจทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีบุญเนี่ยเขาจะมีอํานาจเหนือจิตของเขาแต่คนที่มีบาปจะตกอยู่ในอํานาจของจิตจิตจะมามีอํานาจเหนือเขาได้ คนที่มีบุญมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมีอำนาจเหนือจิตไม่ให้จิตมามีอำนาจเหนือเขาได้คนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีอำนาจอย่างนี้เขาสามารถทำสิ่งที่เป็นกุศลได้ทาสิ่งที่ทำได้ยากแต่คนที่จิตใจเป็นบาปตกอยู่ในอำนาจของจิตอำนาจของปัจสะยอำนาจของสิ่งที่มากระทบเขาจะเป็นทา่าของสิ่งนั้น เขาจะไม่มีอำนาจในการที่จะไปต่อรองไม่มีมีอำนาจในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมาทำถูกบังคับเป็นทาสบังคับข่มขี่บีบคั้นทำให้เขาร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนามีฐานะทางการเมืองไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้ที่มีอำนาจได้เลยในทางตรงข้ามคนที่มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไอ้บุญกุศลนี่แหละจะมีอำนาจเหนือจิต จิตที่มันจะไหลไปทางต่ําไหลไปตามผัสสะสิ่งที่มากระทบซ้ายขวาหน้าหลังอีหุงตุงนั่งทำให้จิตขอเราลงต่ําเขาจะไม่ไหลไปตามอานาจของจิตนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจะมีอำนาจเหนือเขาทําให้เขาสามารถตัดสินใจทําสิ่งที่ทําได้ยากสามารถตัดสินใจในการทําสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้สิ่งนั้นจะยากยังไงก็ตามนั้นก็ยังทําได้ทําแล้วบางทีตัวเองมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยังทําได้ ไม่ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบคนประเภทที่สองคนประเภทที่มีบุญมีกุศลอยู่ในใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีอำนาจจริงๆจิตของเราเนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ทั้งเก็บทั้งบาปเป็นผู้ที่ทั้งเก็บทั้งบุญเก็บบุญและบาปเอาไว้ในจิตถ้าจิตของเราเป็นจิตที่มีบาปมากๆจิตนั้นก็จะไม่มีอำนาจเหนือทําให้บาปากุศล น, นั้นมาครอบงำจิตใจ З, จ waren, knowledge knowledge the the ิตใจก็ทําไปตามบาปตามอํานาจบาปตามอํานาจสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าจิตใจของเรามีบุญมากมีบุญเหนือบุญนั้นก็จะทําให้เรามีอํานาจเหนือจิตนั้นจิตจะไม่ดึงเราไปต่าได้บุคคลที่มีอํานาจเหนือจิตมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้จะเข้าสมาธิเข้าได้จะตรตรึกเรื่องใดก็ตรตรึกได้ไม่ตริตรึกเรื่องใดก็ไม่ต้องตรตรึกได้เพราะเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือจิต บุคคณที่มีอำนาจเหนือจิตนี้จะสามารถละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นได้ถ้าเราละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นได้ก็เหมือนอย่างโพธิสัตว์ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพมีจิตเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลแรรต่ำทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทาความเพี่ยนก็สามารถละ ความเป็นตัวตนของตนของจิตนั้นได้เห็นตามจริงว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเราเมื่อจิตที่เราลากความเป็นตัวเราของเราได้นะวินาทีนั้นแนหะท่านฟังนะบุญก็ถือว่าลอยด้วยบาปก็ลอยออกไปนะวินาทีนั้นท่านฟังทั้งบุญและทั้งบาปก็ถือว่าจบกันไปลอยออกไปที่กัปปช้า พ, พูดเรื่องนี้ท่านฟังเพราะว่ามีท่านฟังบางท่านได้ เขียนจดหมายมาถามนถึงกรณีที่ข้าพเจ้าเคยสอนว่าเอ๊สตินั่นมันก็ต้องดับให้เราเห็นสติเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นปีติเห็นสมาธิเห็นอุเบกขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับคือให้เห็นความจางคลายเห็นความดับไปของเชาโพชงทั้ง7จ็ดจะทําวิชาวิมุติให้เกิดขึ้นได้แต่จริงๆอันนี้เป็นพุทธพผลโดยซ้ำในการที่เราจะต้องให้เห็นเจ้าโพชงทั้ง7เนี่ยในลักษณะที่ เห็นความวิเวกเห็นความจางกายเห็นความดับไปของเขานั่นจึงจะทาวิชาและวิมุตต์ให้เกิดขึ้นได้ไอความที่เกิดขึ้นของวิชาและความเกิดขึ้นของวิมุตต์ตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เรานั้นมีจิตเป็นกุศลนัเราเป็นผู้ที่มีกุศลธรรมในจิตอะไรเป็นกุศลสติเป็นกุศลไหมอุเบกขาเป็นกุศลไหมปีติเป็นกุศลไหมธรรมวิจยะสัมโพชฌงเป็นกุศลไหมสมาธิเป็นกุศลไหมสิ่งเหล่านี้เป็นกุศล พระพุทเจ้าโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนั้นเอาแล้วทําไมบอกปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับไปได้อย่างไงและสติดับไปได้อย่างไรสติดับไปได้เพราะความดับแห่งวิญญาณ น, นั่นเองสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับแห่งวิญญาณตอนนี้ท่านผู้ฟังมีสติหรือเปล่ามีสติในลมหายใจเข้า มีสติอยู่ในลมหายใจออกไหมถ้าลมหายใจดับไปแล้วไม่เป็นไรให้มีสติอยู่ในจิตก็ได้มีจิตมีกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่ดีแล้วคุณมีกุศลธรรมในใจกุศลธรรมบุญที่เกิดขึ้นในใจของคุณนั้นทำให้คุณมีอำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มามีอำนาจเหนือเราได้พะเรามีอานาจเหนือจิตเราจะเห็นจิต โดยความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้อาการที่เราเห็นจิตโดยความที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราละจิตคือเจ้าวิญญาณนั้นได้นั่นแหละคือความดับไปของสติและความดับไปของนามรูปทั้งหลายมันอยู่ที่ตรงที่เราเห็นจิตนั่นเองว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคุณจะเห็นจิตว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอจำฝัง เพราะเรายึดถือว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นของเรามาตั้งนมนานแล้วเรายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามาตั้งนานแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคุณต้องมีอำนาจเหนือมันก่อนอย่าปล่อยให้มันไม่มีอำนาจเหนือเราเราจะมามีอำนาจเหนือจิตได้คุณต้องมีบุญนะมีบุญมีกุศลธรรมจะทําให้คุณเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตได้เอ๊แต่จิตกับตัวเรามันตัวเดียวกันหรือเปล่า ถ้าเรามีอํานาจเหนือจิตในสิ่เราถึงจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันคนละตัวกันจิตเราก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้จิตก็อันหนึ่งเอ๊ะมันอันเดียวกันหรือมันคนละอันกันแน่ก็ความยึดถือในตั้งมาฝังทําให้มันเป็นอันเดียวกันว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราตั้งม้ฟังลองคิดดูความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ต้นไม้มันก็เกิดต้นไม้มันก็ตายโลกดาวดวงนั้นมันก็แตกรถดาวดวงนี้มันก็ดับสิ่งนั้นเดี๋ยวไฟก็ติดเดี๋ยวไฟก็ดับกินข้าวก็ต้องถ่ายอุจจาระนนาไปไหนมาไหนแขนมีการยืดเข้าหุบออกมันก็ปวดก็เจ็บมันก็เป็นธรรมดาของมันเป็นสภาวะที่เป็นความทุกข์ของมันเป็นธรรมชาติตามอยู่ปกติของมันอยู่แล้วแต่เพราะเจ้าตัญหานั่นแหละเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเรา ทำใหเราเห็นว่าเจ้าความทุกข์นั้นเป็นของเราพอเจ้าความทุกข์เป็นของเราก็เลยคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์ไอ้ตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเวลาที่มันจะเอามาเชื่อมกันความทุกข์เป็นธรรมชาติสภาพของมันอยู่แล้วมันเอามาเชื่อมกับอะไรทำให้ตัวเรารู้สึกว่านั่นเป็นของเรามันมาเชื่อมกับจิตเรานี่เองมันมาเชื่อมกับวิญญาณเรานี่เองเพราะนั้นถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิตเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากตัณหาได้เลย เพราะปัญหามันจะดึงความทุกข์มาเชื่อมกับจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราถูกเชื่อมเราถูกเสี่ยมเราถูกทําให้เอาความทุกข์นั้นมาอยู่ในใจของเราเราก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ถ้าใจของเรามีความทุกข์อยู่เราจะล้างความทุกข์ออกจากใจของเราได้แต่คุณจะต้องมีอานาจเหนือจิตตรงนี้คุณจะมีอานาจเหนือจิตของคุณได้คุณต้องมีบุญคุณต้องละบาปสร้างกุศลคุณจะมีอานาจเหนือจิตได้ คุณต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นจึงจะปล่อยวางได้พอคุณทำความรู้ให้เกิดขึ้นปล่อยวางได้จากอำนาจของจิตนั้นจิตที่มันเชื่อมอยู่กับความทุกข์มันจะออกไปจากใจของเราเรามีอำนาจเหนือจิตแล้วเราจะเห็นจิตนั้นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไอ้จังหวัดที่เราเห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นผู้ที่เราลอยแล้วซึ่งบาปลอยแล้วซึ่งบุญทั้งบาปและบุญ ก็ไม่เอาเพราะตัวที่มันจะมาเก็บบาปตัวที่มันจะมาเก็บบุญมันได้ลาไปแล้วนั่นคือจิตคือวิญญาณนั่นเองจิตของเราวิญญาณของเรานั่นแหละที่มันเก็บบาปเก็บบุญเอาไว้เราพยายามละบาปละบาปละบาปสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญแต่สร้างบุญด้วยการละบาปทําความรู้ให้เกิดขึ้นมีความปล่อยวางได้บุญมากๆล้วแล้วยังไงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือความดับเย็นเราละบาป เราสร้างบุญไปทุกขั้นตอนนั่นคือความดับเย็นที่เกิดขึ้นในจิตของเราเป็นนิพพานเราป่อยวางความคิดที่เป็นทางกามความปยาบาทความเบียดเบียนน่ะเราทําสมาธิทําจิตใจให้อยู่ในกุศลนั่นก็เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นล่ะเป็นความดับเย็นที่เกิดขึ้นณจุดนั้นน่ะเราสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆละบาปละอกุศลไปเรื่อยๆสิ่งนั้นกระบวนการตรงนี้คือความดับเย็น ความดับเย็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เราทําไปทําไปทําไปทําไปน่ะมันจะสุดที่ไหนน่ะมันสุดตรงที่ว่าเราเห็นความที่จิตของเรานั้นไม่ใช่ของเราตรงนั้นทั้งบาปและทั้งบุญก็จะไม่เกิดขึ้นน่ะปล่อยว่างดับได้บางคนก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะฉันก็คิดว่าฉันสร้างสร้างบุญละบาปมาเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมฉันยังปล่อยวางไม่ได้หรือทําไมฉันยังไม่เห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราของเราเอ๊ะฉันว่าฉันก็เห็นจิตว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ แต่ทำไมยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนี้มันมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเราจะถือประมาณการบรรลุของคนอื่นมันเป็นประมาณการบรรลุของเรานะด้วยการเปรียบเทียบในลักษณะนั้นไม่ได้ท่านพระพาหิยะนะฟังทำไม่พอหนาทีนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านพระองค์กุลีมานนะเป็นทําความชั่วทําความบาปมาไม่กี่วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทำไมฉันปฏิบัติธรรมมาเป็นหลายปีแล้วยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ยังทําที่สุดแห่งทุกไม่ได้ก็ประมาณความแตกต่างของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2องไอ้ที่คุณบอกว่าคุณสร้างบุญไม่รู้สร้างบุญจริงหรือเปล่านําไปเที่ยวแสวงหามาจนไม่รู้จะเก็บที่ไหนถ้าตัวเองไม่ลาบาปไอ้ที่บอกว่าปล่อยวางได้ก็ไม่รู้ปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าความรู้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่บอกว่าตัวเองปล่อยวางได้คนที่บอกว่าตัวเองสร้างบุญสร้างหุวสนไม่รู้บาปในหัวใจยังเก็บไว้ด้วยหรือเปล่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําถูกปฏิบัติถูกเรารู้ได้ทตามฝังกระบวนการความดับเย็นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าเราทําถูกเราปฏิบัติถูกเราจะมีความดับเย็นเกิดขึ้นในใจบางทีอะที่เราทําถูกปฏิบัติถูกเนี่ยมันให้ได้ผลเป็นทุกข์ก็มีบางทีนะอย่างบางทีเวลาที่เรากินยาขมมันได้รับทุกข์กระจิงแต่ว่ามันจะหายจากโรคเหมือนกันบางทีเราสร้างกุศลทากุศลเราละบาปสร้างกุศลเอาได้ผลเป็นทุกขเวทนาทางกายมีบางคนเนี่ อยู่ท่ามกลางคนชั่วบอกว่าฉันจะไม่โกงพอเราบอกจะไม่โกงก็ถูกกลัน่นแกล้งถูกย้ายถูกทําให้แป๊กนะไม่สามารถมีความก้าวหน้าหน้าที่การงานถูกกดขี่ถูกบีบคัน้นและมีความทุกข์อยู่แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณทําถูกละบาปสร้างกุศลปล่ยวางให้ความรู้เกิดขึ้ น, นจิตของคุณตรงนั้นมีความดับเย็นมีความสบายอยู่ข้างในอาจจะได้รับทุกขเวทนาอยู่แต่เรามีอํานาจเหนือจิต คนที่มีบุญต้องฟังมีบุญอยู่ในใจล่าบาปได้มีความรู้เกิดขึ้นในใจปล่อยวางได้เป็นผู้ที่มีอำนาจเนือจิตอำนาจตรงนี้แหละต่างฟังคือความดับเย็นที่อยู่ในใจของเขาเขาอาจจะเจอความทุกข์ความเผ็ดร้อนทางกายได้รับความกดกี่บีบคั้นแต่มีความเย็นอยู่ในใจมีความสบายอยู่ในใจเราเข้าถึงความเย็นความสบายนิพพานตรงนั้นได้ไหมเราไม่ต้องว่าจะมารอนิพพานชาติหน้าหรือว่า ให้ตอนแก่หรือว่าไปตอนที่ว่าเออฉันทําบุญเต็มแล้วเขจะค่อยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราทําตอนนี้เลยตอนนี้เรามีสติอยู่เราช่างกุศลล้ตอนนี้เราละสิ่งที่เป็นบาปมิจฉาวาจาไปเอามันทําไมเราคิดว่าเราจะต่อสู้เพื่อความดีเราต่อสู้เพื่อความดีด้วยการละบาปสิต่อสู้เพื่อความดีด้วยความดีสิเราต่อสู้อย่างนี้เราได้บุญด้วยเรามีอำนาจเหนือจิตด้วยใครบอกเราไม่มีอานาจต่อรอง อำนาจต่อเรามีอยู่เต็มๆในใจของเราแล้วอำนาจที่เกิดขึ้นตรงนี้นะท่านผู้ฟังเป็นอำนาจที่ได้มาโดยธรรมด้วยเป็นธรร ม, มาทิปไตยเป็นอำนาจที่มีสติเป็นใหญ่เป็นอำนาจที่มีสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นอำนาจที่มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเรามีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้เราจะทำวิมุตติที่เป็นแก่นให้เกิดขึ้นได้ เราจะทำนิพพานอันเป็นที่สุดจบแห่งพรหมจรรย์ได้ความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีหรอกตามฟังใครมีอำนาจกว่าคาานนั้นก็ชนะไปเรามีอำนาจไหมเรามีอำนาจเหนือจิตในคลองแห่งกุศลาละาตนทั้งหลายหรือไม่ถ้าเรามีอำนาจนี้เราจะพาจิตของเราไปสู่ที่ที่ความไม่ยุติธรรมไปถึงไม่ได้ท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะให้ส่งมา เพียวธรรมม p u r e d h a m m a c o m หรือว่าส่งจดหมายก็ได้นะวัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีกันเทศตอนนี้ชื่อว่าละบาปลอยบุญมีอำนาจเหนือจิตจเจริญพร